มัญยายาและทำความเข้าใจเรื่องสถิติฐานสูตรร่างที่เป็นวิธีการของหลวงพ่อเทียนและที่ในตำาราผสมประสานกันไปพอที่แล้ ว, ลวมาส่วนใหญ่จะนั่งปฏิบัติกั น, นะนบางทีเราก็ขาดความเข้าใจเมื่อขาดความเข้าใจเราก็การนำไปใช้ก็ไม่ถูกต้อง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 เรื่องของการทำความเข้าใจหรือตัวสมาธิทิฏฐิเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทำให้ชัดเจนไว้สำหรับผู้ที่กำลังปฏิบัติทนี่จากวิธีการหลงพอเทียนกับสติปัฏฐานสี่แบบเคลื่อนไหวเนี่ยกับสติปัฏฐานสี่แบบตัวบทต้องเดินทางไปดำเนินไปด้วยกันอย่าง ผสมผสานกลมกลืนนะมีถ้าหากว่าเราทำแบบเคลื่อนไหวแต่ไม่เข้าใจสติประญาสูตรเหมือนกับเราเดินทางมีแผนที่ของเราเองแต่ว่าไม่ใช่แผนที่สากลหรือเราเดินทางตามสติประฐาสูตรแล้วมีแผนที่สากลสากลแต่ว่าเราไม่รู้จักทางด้วยตัวเองมันก็จะไม่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 มันจะได้พบกับผลที่จริงๆเนี่ยหประการประการแรกคือสัตานังวิสุทธิยาเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของจิตสัตานังตรง น, นั้นอยาจะต้องพ่วงคําว่าจิตตานังไปด้วยนะหมายความเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของจิตของสัมพสสัตว์ทั้งหลาย ที่ถ้ า, ากว่าเราเจริญสติปัฏฐานสี่อย่างถูกต้องนะอทําให้เกิดอันที่สูงข้อที่หนึ่งว่าจิตต้องสะอาดหมดจดทีนี้เราก็เจริญสติปัฏฐานสี่กันมายาวนานถ้าถามแล้วว่าจิตเราสะอาดหมดจดแล้หรือยังอมันก็ยังไม่แน่ใจว่าสะอาดหมดจดหรือเปล่าทีนี้ใน หลักประกันของท่านจิตของเราจะสะอาดหมดจดได้อย่างต่ําที่สุด25เปอร์เไม่เกินจปีที่ท่านตัดประกาศเอาไว้ตั้งแต่เจวันถึง7ปีจิตของเราต้องสะอาดหมดจดระดับหนึ่งท่านบอกว่าไม่ระดับที่ว่าเมื่ออุบา h ิ i ยังเหลืออยู่ก็ระดับที่ว่าเราจะไม่กลับมา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 มีทางเดียวคือจะเดินไปไกลเท่าไหร่ก็ตามต้องกลับมาตั้งต้นใหม่ถ้าจะเดินไปเรื่อยๆมันก็หลงไปเรื่อยมีใจตายอย่างเดียวไปข้างหน้านอกจากอืถึงไม่ตายก็ไม่ใช่ทิศทางที่เราต้องการนะ่ะคือถ้าจะว่าไปคือไม่ถึงทิศทางที่เราต้องการนะเพราะฉะนั้น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 ผลประการที่สองก็คือโศกปริเทวนังทุกข์โศกทุกขโกปริเทวนังสมติกมายะาเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์และโทมนัต หมายความว่าทุกและความทุกข์คือความไม่สบายกายโทมนัสคือความไม่สบายใจเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แต่คําว่าทุกค่ะคือความไม่สบายกายไม่สบายใจระบุเอาไว้เลยนะความไม่สบายกายไม่สบายใจมันจะตั้งอยู่ไม่ได้ข้อนี้ก็ยิ่งต้องพิสูจน์กันว่าคําว่าทุกขาดโทมนัสท่านไม่ได้หมายถึงความไม่สบายใจอย่างเดียวความไม่สบายกายก็ตั้งอยู่ไม่ได้ด้วย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 ถูกเหมือนกันแต่ยังไม่ร้อยเปอซเราจะทํายังไงให้มันตั้งอยู่ได้น้อยที่สุดจนกระทั่งตั้งอยู่ไม่ได้ก็คือเวทนาทางกายเป็นตัวเหตุให้เกิดความไม่สบายกายมันตั้งอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันตั้งอยู่ไม่นานนะหรือตั้งอยู่ไม่ได้ทาไมถึงตั้งอยู่ไม่นานเช่นเรานั่งแล้วปวดขาเนี่ยถ้าปวดขามันตั้งอยู่ได้นานก็แสดงว่าสติสมัมผัญยะมันก็ยังไม่ถูกนํามาใช้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 ความไม่สบายกายคือทุกข์โทความไม่สบายใจคือโทมนัตความไม่สบายกายคือทุกข์ทุกข์โทมณัตเพราะนั้นถ้าเรามุ่งเอ า, าความไม่สบายใจอย่างเดียวนะไม่ได้หมายถึงความไม่สบายกายนะจะไม่มีคำสองคำนี้ก็จะมีคําใดคําหนึ่งขึ้นมาอาจจะใช้คําว่าทุกขโขอาจจะคําว่าโทมนัสโสคาใดคําหนึ่งแต่นี่ท่านใช้ทั้งสองคำเลย นะถามว่าตัวทุกขโทมานต์อย่างนี้วอเนี่ยถือว่าเป็นทุกขโทมานต์ไหมเป็นทั้งทุกข์ด้วยเป็นทั้งโทมานต์ด้วยความทุกข์ตรงที่ว่าทําให้ร่างกายผิดปกตินั่งสงกประงก่ะงกไปร่างกายผิดปกติไม่สบายกายโทมนั์ก็คือความารู้สึกไม่ปกติเนี่ย น, นั้นคือความไม่สบายใจมันถึงได้ง่วงเหงานะแล้วถามว่ามีไหมมีแล้วมีแล้วทําไมไม่แก้ไข ก็เพราะว่าเราปฏิบัติไม่ถูกเราถึงไม่เกิดการแก้ไขถ้าเราปฏิบัติถูกความนิวรณ์หความงา่วงหง่อ้องนอนมันจะตั้งอยู่ไม่ได้แต่ลีนี้เราดั้นั่งสปังกสปังงกได้เป็นวักเป็นเวทก็แสดงว่ามันดั้งอยู่ได้อยู่นี่อันนี้ก็ต้องไปวิเคราะห์กันว่าไ อ, อ, อ, อ้มันเป็นยังไงดังนั้นคําสอนพุทธิยถาเป็นสวารขาตะธรรมทุกบททุกตอนต้องได้รับการพิสูจน์ให้เห็นเป็นจริงไม่ใช่ท่านมาตั้งไว้โกโก้อย่างนั้นไม่ใช่ มันจะต้องเป็นสวากาตธรรมคือได้ทดสอบได้พิสูจน์แล้วท่านคือมาตั้งเป็นบทเป็นสวากาตธรรมดังนั้นเราจะทำอย่างไรถึงจะเอาตัวแก้ไขมาแก้ไขตรงนี้ได้ตัวแก้ไขท่านตั้งไว้ไม่มากแค่สามอย่างคืออาตาปีสติมาสัมป ญ, ญานเท่านั้นไม่ได้สลับซับซ้อนเลยแต่ว่าเราบุรณาการใช้หรือเปล่า คำว่าบูรณาการหมายความเอาสามตัวเนี่ยมาผสมผสานกันใช้พร้อมกันไม่ใช้ใช้ทีละอย่างเออตอนนี้ใช้อาัตราปีนะเออตัวนี้ใช้สัมปชาญญตอนนี้ใช้สชตนนสิมานี่อันนี้เรียกว่าไม่มีการบูรณาการคำว่าบูรณาการคือมาผสมผสานใช้กันอย่างเราถือมีด ต, ตัดไม้เนี่ยเราทําแบบบูรณาการไม่ใช่ทาแบบทีละอันคําว่าบูรณาการหมายความว่ามีดั้นมีมองค์ประกอบคือหนึ่งมันมีคม 2มันมีสรรส ม, มันมีด้าม4มันมีพูดถือ5มันมีแรงที่กระทำลงไปทั้ง5ประการเนี่ยมันทํางานพร้อมกันไอ้การที่องค์5ประการทํางานพร้อมกันท่านเรียกว่าบูรณาการหรือฮลริสติกนะไอ้การที่ทั้งอาตาปีสติมาสัมปชโนทํางานพร้อมกันเนี่ยเรียกว่าบูรณาการาเมื่อมันบูรณาการแล้วมันจะเข้าไปแก้ไข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 ะะเพราะโดยเฉพาะในช่วงในที่เจ็ดวันนี้เราเน้นที่ที่ที่พระนะเรียนโยมก็ถือว่ามาร่วมมาแจม <c oughs> แล้วตามกำลังสถิปัญญาแล้วก็เวลาของตัวเองทีนี้มาดูข้อต่อไปนะเพื่อความก้าวล่วงเสียซึ่งความสุขและความลํำไลล่ำพันโศกับะปริเทวาหนังอัดถังขมายะเพื่อความก้าวล่วงเสียซึ่ง ความสุขและความลํำไรลลํำพันเงื่อนไขข้อที่สามนะเงื่อนไขข้อที่สามของการเสด็จสิบประธานสุดหมายความว่าอย่างไง <c oughs> แล้วก้าวล่วงได้หรือยังความสุขเศร้าพี่ไหลล้ำพันมันก็เนื่องมาจากข้อที่หนึ่งและข้อที่สองแล้วจะเห็นว่า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 นั้นธรรมะคําสอนพุทธเจ้าไม่ว่าฝ่ายลบหรือฝ่ายบวกไม่ว่าฝ่ายกุศลนกุศลบูรณาการกระทั้งนั้นเกี่ยวข้องสัมพันธ์กระทั้งนั้นที่มันจะเกิดก็เรื่องมีเหตุปัจจัยให้เกิดเกิดด้วยเหตุปัจจัยเราใช้คําว่าปัจจัยาการหรืออิทัปัจจยตานี่คือหลักคําว่าบูรณาการของคําสอนพุทธเจ้าทีนี้ไอตัวที่ว่าเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้ เ, ออเพื่อความเพื่อการก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกและความพิ ล, ลัยลําพันธ์ ความสุความพิลาลังเกิดมาจากความไม่สบายนั่นเองถ้าคนเราสบายเรื่องอะไรมันจะไปเศร้าสุขพิลาลำพันเพราะความไม่สบายอะไรไม่สบายกายไม่สบายใจจึงเกิดความ ส, สุขเศร้าพิลาลำพันนะเกิดความลำ่ำขำครวญทีนี้ในแง่ของความเป็นจริงคามมําว่าสุขเศร้าพิลาลำพันในแง่ดีกรีสูงสุดก็คือแสดงออกทั้งกายทั้งใจ จะมีการฟูมไฟล์ร้องไห้มีการแสดงอาการโศกเศร้าให้ปรากฏอย่างนี้เขาเรียกว่าดีกรีสูงสุดถ้าแบ่งเป็นระดับระดับหระดับระดับสูงสุดคือฟูมไฟล์ร้องไห้คร่ำครวญใน <c oughs> การสูญเสียสูญเสียลูกผัวสูญเสียสมบัติสูญเ ส, สียลูกเมียสูญเสียพ่อแม่สูญเสียคนที่รักเกิดการฟูมไฟล์โศกเศร้าไปพิไรลาพันธ์อันนั้นปรากฏ100เปอร์เซ็น ทีนี้ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติสติปัฏฐานเนี่ยความสุขเศร้าพิไรลำพันธุ์ของเราเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบไหนนะก็คือเอาเรื่องความไม่สบายกายหรือไม่สบายใจมามาคิดมาปรุงบ่อยๆเช่นเราไม่สบายใจเพราะลูกเราก็เอาเรื่องลูกความไม่สบายเรื่องลูกมาคิดบ่อยๆนั่นกะ็เรียกว่าเศร้าพิไรลำพันธ์ในระดับของผู้ปฏิบัติ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 บรรลุถึงทำอันควรบรรลุทีนี้ไอ้ทำันควรบรรลุในระดับไหนนะในสั้งห้าข้อเนี่ยเป็นฝ่ายลบใชสามเป็นฝ่ายบวกใช่สองอการเป็นจิวิเกเสติประฐานสีได้อย่างบุรณการได้าสามข้อได้ถูกต้องนี่นมันจะเข้าถึงธรรมในสิ่งที่เราควรจะคำว่าควรจะเข้าถึงม่ว่ามันมัน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 บูรณาการอย่างถูกต้องเนี่ยเราจะเห็นยังไงเราใช้ความพยายามแล้วพยายามอีกจะเจริญสตินั่งเคลื่อนไหวด้วยสติด้วยสัมปชัญญะอย่างกลมเกลืนถูกต้องเนี่ยการรู้จักรูปนามบอกว่าตั้งแต่หนึ่งวันถึงสามวันมันจะรู้แต่ถ้าเกินสามวันไปแล้วนี่มันคือรูปนามแบบสมมติเ่ยมันภายในสามวันมันจะรู้แต่รูปนามโดยปรมัติตเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาเป็นเดือน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 รูปอย่างเกี่ยวข้องกับกายเนี่ยไม่ใช่ไปนึกถึงกายของเราเป็นนั่นเป็นนี้แต่นึกถึงเวทานาที่เกิดกับกายถ้าพูดถึงกายต้องพ่วงเวทานาเข้าไปด้วยเพราะตัวเวทานาเป็นตัวชี้บอกว่าเรามีกายถ้าเราไม่มีเวทานาเป็นตัวชี้บอกเราก็จะไม่รู้ว่าเรามีกายเพราะนั้นถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับเวทานาไปยึด it ติดเวทนาไปสําคัญมั่นหมายเวทานาว่าเป็นเราอยู่มันก็รูปนามหรือรูปนามมันก็นแต่ในขั้นสมมติว่าเวทานานี้เป็นเรา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 ส่วนไอ้ความรู้สึกสักตววากายเวทนานเนี่ยมันจะกินเวลายาวนานแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราใช้อดัปปีสติมารต่อเนื่องแค่ไหนแต่ถ้าอายุของการเข้าไปรู้รูปรู้นามรู้กายเวทนานเป็นสัตววาสั้นก็หมายความว่าอำนาจของความเพียรหรือสติสมิยะยังไม่เข้มแข็งพอ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 จากรูปกนามเป็นนามรูปจากนามลูกเป็นนามลว้ลวนๆจากนามลว้ลวนๆเป็นปรมัตตามลำดับขึ้นไปในที่สุดมันก็จะมาเกิดอันนี้ส่งข้อที่หคือนิพพานสสะจิกกรณัตถายะ น, นิพพานสสะจิกิริยะเพื่อการทําพระนิพพานให้แจ้ง อ, อั น, นิี้ส่งข้อนี่ 5, คือเมื่อทําได้เกี่ยวทั้งสีข้อมาอย่างถูกต้องแล้วเนี่ย เข้าใจอย่างถูกต้องตามราดับแล้วเนี่ยการทำพระที่พานให้แจ้งให้มันจะปรากฏคาว่านิพานในที่นั้นหมายความว่าจิตของเราดับจากการปรุงแต่งสงบจากการปรุงแต่งกายของเราสงบจากเวทนามากที่สุดเท่าที่จะมากได้จิตของเราสงบจากการปรุงแต่งทีนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องพูดกันในรายละเอียดอยีกเยอะว่า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 พ่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีเขาเรียกอนัตตาเพราะนั้นความสัมพันธ์หลักของอนัตตากับปฏิสุวรหรือปัจจัยาการจึงสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกนะเช่นเรามีรูปเราก็จะต้องเป็นไปตามกฎของนิจังทุขังอนัตตาแต่ทีนี้จะทาให้จิตของเราเนี่ยไม่ให้เป็นรูปให้มันเป็นนามแต่ไอาการที่จะผ่านไปสู่นามล้นล้นได้มันต้องผ่านด่านของนามมารูปเสียก่อน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 นิพานัสนิพานัสนิพานัสสัจจิกิริยายะเพื่อการทำพระนิพพานให้แจ้งจึงเป็นตัวผลสรุปที่สำคัญเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันทั้งสี่ข้อที่ผ่านมาสัตตานังวิสุทธิยาทุกขโทมนัสสานังอัถังคมายะโสกับริเทวานังสมติกมายะยายสาสัตธิขมายะนิพานัสสัจจิกิริยายะต้องสัมพันธ์กันเป็นเป็นลูกโซ่ทีเดียวนะ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 เธอมีความเพียรเครื่องเผาบาบมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติย่อมนำความพอใจและความไม่พอใจในใจนี่ออกเสียได้ในกายในใจนี่ออกเสียได้วินัยยโลเกออภิชาโทมณัตอภิชาและโทมนัตเห็นไหมสองคำน้นอภิชาคือความพอใจโทมนัตคือความไม่พอใจอมันมันต่างกับ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 นะไอ้การที่หายเองในร่างกายมันเกิดมีการผิดปกติแล้วมันจะต้องจัดการให้มันหายไอ้ตัวจัดการในเองคือการบูรณาการใช้ธรรมสามข้อคืออาตาปีสติมาสัมปชานนะุดังนั้นในจุดนี้จึงอยากจะให้เราทั้งหลายให้แจ่มแจ้งในตัวบทด้วยแล้วเจ่มแจ้งในวิธีการด้วยที่แล้วมาเราโฆ ษ, ษณาเราประชาสัมพันธ์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 สร้างความคิดขึ้นมานะเพราะฉะนั้น ừ ừ. ในหลักการในนี้เราใช้การเคลื่อนไหวเนี่ยมันประสานกับตรงนี้ได้อย่างไรก็คือถ้าหากเราใช้หลักการเคลื่อนไหวเราจะจัดการกับทุกธาตุมนัดได้ง่ายขึ้น<ๆ>เพราะอะไรเพราะการเคลื่อนไหวมันเป็นหลักของการอานิจจังทุกขังหน้าตาโดยธรรมโดยโดยโด ย, โดยธรรมชาติมันอยู่นิ่งๆไม่ได้เพราะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะ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 ในฝ่ายรูปนามเสยก่อนนั้นเบื้องต้นเนี่ยเราต้องฝึกฝนเอาอาตตาปีสติมาสมาธิทั้งสมข้อมาฝึกฝนกับรูปกับนามกับกายนี่ให้ชัดเจนเสก่อนเพราะ ม, ามันเห็นชัดเพราะกายนั่เป็นรูปสามารถสัมผัสโดยประสาททั้งห้าทั้งหกได้ชัดเจนถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องยากเหลือวิสัยเนี่ยพทุทธเจ้าท่านจะไม่ตรัสเอาไว้แต่ว่ามันมีอยู่ในวิสัยของคนทุกคนที่จะทาได้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 ประกอบให้อาตตาปีสติมาสัมปชันูเนี่ยทำงานในได้อย่างถูกต้องและอยางอาศัยสองตัวเนี่ยคำว่าปรโตโขโะท่านกล่าวว่าได้แก่การฟังจากคนอื่นปรโตโขโะเสียงจากสะท้อนจากผู้อื่นอะปรตโขโศเสียงสะท้อนจากผู้อื่นได้แก่ใครก็ได้แก่กรายนานมิตรครูบาอาจารย์มิสายของเรานั่นเองอันนั้นเราจึงสวด บรารมิก aryana มิตรสตรแทบทุกวันนะอนันโทพิกอนันโทที่เราสวดว่าดูก่อนอนุนการเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นทั้งหมด อ, อันองค์ประกอบที่หนึ่งเป็นทั้งหมดของพรหมจาร์ดังนั้นเราก็จะต้องแสวงหา3ประการเนี่ยองค์ประกอบ องค์ประกอบอันที่หนึ่งประตูโคสัยท่านแยกเป็นสามประการหนึ่งกริรยนามิตรสองกริรยนัสหายสามสิ่งแวดลอ้อมต้องหาให้เจอองค์ประกอบอันที่หนึ่งเนี่ยคือประตูโคสัท่านแยกเป็นสาประการนี้ในกิรยาณมิตรกิรยนัสหายต่างกันไงกิริยนามิต ร, มรมหมายถึงครูบาอาจารย์ผู้รู้แจ้งเห็นจริงกิริยนัสหายหมายถึงบุคคลที่ปฏิบัติร่วมกับเราอย่างเข้าใจโดยที่ไม่เกิดการขัดแย้งในหลักการวิธีการ และกิริยานะัสัมปวังโกคือสิ่งแวดล้อมบุคคลแวดล้อมในที่นั้นๆเ อ, อื้อมีทําให้เกิดความสงบทั้งกายวิเวกจิตวิเวกอุปติวิเวกได้เรียกว่ากระะนะิริยานสัมปวังกะ น, นี่องค์ประกอบอันที่หนึ่งคือปรตโตโคสะแยกเป็นสาประการตรงนี้อย่าสับสนและสามประการนี้เรามีไร้อย่าง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 ไอ้ทุกขเวทนาเลยมัาเป็นเครื่องมือทรมานตัวเองโดยสําคัญมันหมายว่ากิเลสของเร า, าจะลดลงพระพุทธเจ้าทํามาแล้วนะเรื่องนี้สมัยท่านบำเพ็ญทุกเลียามาแทบจะปางตายแต่ท่านก็บอกมันไม่ใช่ทางเป็นทางของลึศีแต่เราก็ยังมาทํากันเป็นวักเป็นเวรทุกวัน น, นั่งทีเดียชั่วโมงสองชั่วโมงโดยไม่พิกไม่เปลี่ยนแต่เราก็รับสนับสนุนนั่งให้นั่งนานๆแต่ว่าในการสนับสนุนนั่งนานนั้นเราพริกก เ, เปลี่ยนได้ตลอดเวลาไม่ได้ว่าคุณจะต้องอยู่ท่านี้ตลอดไม่ใช่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 ดังนั้นเองในวิธีการของเราจำเป็นต้องว่ากันให้ชัดเจนไปเลยว่าอะไรเป็นอะไรเราจะได้ไม่เสียเวลาดังนั้นการที่เราจะบูรณาการอาตาปีสติมาสัมปชาโนได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ต้องมีองค์ประกอบสัมประการนี้เข้ามาช่วยคือ หลักของปรโตโขโหสะและหลักของโยนิสูมนุษยการปรตโขโหสะคือองค์ประกอบอีกสามประการย่อยเนี่ยคือกเรยียมิตรกเรียมจะหายได้สิ่งแวดล้อมเนี่ยห้าสิเปอร์เซ็นตะ์ะจะช่วยเราได้ห้าสิเปอร์ซนเท่านั้นแต่ถ้าเราเจอแล้วอะไรที่ดีแล้วครูบาอาจารย์ดีแล้วเพื่อนดีแล้วแต่เราไม่แยบคาย อ, ะอ่ะอ่านั่งปวดกับปวดมาอยู่เนี่ย น, นั่งง่วงกับง่วงมาอยู่งนั้นนั่งฟุ้งกับฟุง้งมาอยู่อย่างนั้นอันนี้เรียกว่าเราขาดความแยบคาย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 ก็เพราะว่าไอตัวบุรณาการทั้งสข้อเราใช้ไม่ถูกไม่อาตาปีตัวนั้นว่าความเพียรเครื่องเผากิเลส น, นะไม่ใช่ความเพียรเครื่องเผาตัวเองนะความเพียรเครื่องเผากิเลสควาว่ากิเลสในตัวนั้นคือโทมนัตอ่าและนอกจากโทมนัตแล้วก็ยังเป็นมิจฉาทิฐิตัวนั้นนะ่ะคือหมายความเข้าใจผิดสําคัญรูปนี้เป็นเรา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 ภาวะร่างกายใช้ไม่ได้ไร้สภาพละเป็นอนัตตานะคำว่าอนัตตานี่แปลได้หลายอย่างแปลว่าไร้สภาพหมดสภาพพึ่งพาไม่ได้ไม่มีสาระตั้งอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยอิงกันนํานหมาถึงเกิดขึ้นเนี่ยเพราะฉนั้นหลักอนัตตากับหลักปฏิสวดปัจจัยาการสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดทีเดียวถ้าเราเข้าใจหลักปรมัตญาแล้วฮในช่วงของการเข้ารีทรีทครั้งนี้เอามาเองก็คงจะต้องทําหน้าที่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 ว่าห้สเปอร์ซ็นจะทําดีแค่ไหนไงพูดได้ละเอียดแค่ไหนก็ห้าสิเปอร์เซ็นแต่อีกห้าสิเปอร์เซ็นเป็นของเราคือยูนิโสมนานสิการแต่เอเมาก็ทําหน้าที่เป็นกระยิมทีให้มากที่สุดตามความสามารถที่จะมีได้นะมีการชี้แจงการแก้ไขทําให้เจ่มแจ้งชัดเจนในตัวบทแล้วก็ตรงไหนไม่เจ่มแจ้งไม่ชัดเจนไม่มกากพอก็ให้มีการซักถามตอนเย็นมาจะมี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 ข อ, องการได้ฟังธรรมเทศนาหรือการบรรยายชุดนี้ก็ได้ก็ขอให้เราทั้งหลายที่ตั้งใจในนี้จงได้รับผลสำเร็จในเรื่องนี้ก็ขออนุโวทนากลับพราพรอมกัน